บดเนียสลวสวลวเล่อนสุริแสงลาโลกสัจจิญญลาาตยัยกะเมื่อห่างหุมห่อเลนอ มัวอืดกลุ่มนั้นเมื่อยหมอกห้อยห้ำเจ็ดเมื่อคี้ว่าเฮาห้อนสถทาสะเทียนมันเลื่องเลื่องแล้วลับไลยโบหูเตืนทุกข์ที่ต้องอันตายด้วยกระดังกันนะ เยี่ยมดังสูนใส่แล้วกมามัวเมามื่อตกคำคอยนั่นเคื่อนเขาครอบล้องคือดังจันเจมแล้วแล้วก็เ ล, า, เลาดับสูนคล้องคนเฮาก็ดังเดี่ยวโดยอ้าง โมหอนท้องคงค้างพอเข้าแล้วก็เปลี่ยนสุกทูกนี้ขะหมอดให้นั่นเปียกเป็นเปียนเสมอนั่นละนามสันทัง แอบดังคุณเฮานี่ล้างเชื่อโสกาเศร้านั่นบางข้าวกระส่วเสนบางเขา้เ า, เขาใจก็ะมือเตยยังมีเงือสว่างใสคือนายพลผู้ทุกให้ได้ฟังเทศเทศนาจากเถลาสาะระพูพูข้าจากทะเลซ้นอนนะ คำสังสอนสินหาป่านาเป็นตัวเอกุ้ยน้อมาอานาศาสารเสื้อขนานงานอันเกลิ่นตอนนี้พึ่งสิชิดเขนได้ ว, ว่ า, า, ว า, ว า, า, า, า, าม้วนมัวสัตสากขวังแห็นชีวาบ่ยากหมอรานามีงิน เราได้เวียนมาคาคุยธรรมาเป็นอาชีพสิ่งบควรประกอบตั้งกวังได้นั่นทาเดียวนะความทุกข์งากเขาคอดเขี่ยวจังได้เจียวป่านาโนพน้อ ลงชีวาสัตว์สาดอรเพื่อนโลกกับควงอุ้ยสัตว์ทั้งปวงกับงเศร้าคือเขาได้พลอยผากคอแม่จากโลกเต่ากัคขงเอาอังมาดูน่ะ สงสารด้เจ้าผู้ปากบ่อได้ของสิทูกทอละมานเสียงสงสารเหลือเกินขันเจ็ดมาตอนนี้ พ้อกันที่เสื้าค่ารักษาศีลปานาหาฉีตแนวใหม่รักษาศีชลชำระใจให้มันใสสะอาดอ่างประสงล่างบาบยินเจตะนาะงดเว้นเตรียมเตรียมในดวงจิตจึงประพงแนวความจิตในที่ยงตรงคงไว้นะ แล้ววจึงง้อมือไหวาสาทุกการก้มกราบวางสา สะเธรเือพันเตขาแด่ทานกระผมน้อมขอบพระคุณเป็นจังบูนจังได้มาเห็นหน้าเป็นเพราะบุญลาศานจังได้พอพระคุณทานบุญพอมลหลจังได้มาพบพอ่อเคยหน้าท่านอาจารย์นะ ต่อเต่นี่ผู้ข้าสิขอรับยังศสีนเถือพดทังตั้มมังดอกสังขังกาเพิ่งอาไสสนนะขอนอมตุนเตียมตังฟังธรรมพุทธอาดขอแด่นักปราดเจ้าพระคุณทหาหานจวงแสดงเดิน ประคุณเือมีมนหรือมีมนุษย์ไขแผลงคอไล่ ล, ละเอียดของสีลถ้ารักษาปานาะประโยชน์นี้จังได้นานะ ขอสองสามสี่หาพารานิจังใดเน่ยนิมนต์ไข่แก่เจ้พ่อได้เพิ่มเติมแต่ยงนะผมก็อยากลูกเกี่ยงคุณประโยชน์ที่มีเสื่พระโมเนงสงส่นกว่าดจังไดผู้ได้านกับพ่อสิเป็นทางให้กระแสจใจได้สูงส่งนะอันนี้สูงส่วนสิไดดนั้นนี่แท้ ว่าจะได้นอนปลดฝุน คำเทศคำว่ า, าของพระคุณเจ้าเด็กเห็นพรองต้องความบัดนี้พวกข่าว่าอยากลับเอาใจสาระคมความกับศีลนี้อยากพระคุณเจ้าจ่ดอกขะหน่อยฮะเนี่ยเออดีแล้วดีแล้วแต่ว่าข้อสงสัยของพวกข่านั่นก็คือว่าอันคันเข้ารักษาได้ประพฤติได้แล้วอันศีลหกักคอนี่ยจมีประโยชน์ย้อนจังไหรแน่สะดอกขะหน่อยผู้ข้าสงสัยฮะ ฟังสิว่าสู <Meeting> ้ฟังหรืออันม네่นม่นขนาดนี <BRUNO> ้ม่นพวกข้าเมื่อนานมหาเถรละเจ้าจับสำเนาขยายฟ้ากฝาคำสอนเติมทายขยายขวากว่าฟุน เยี่ยมปิติเลื่อนล้นที่ในกาวที่สนะเห็นผลในทันตาเสือโนลาบานแม่์โม่เสียแล้วจะเรียนรู้บ่ลุ่มคู่ใดสอนซังพุทธศาสตร์จะต้องดังเแค่ขยายโลกย่องควรค่าเกี่ยนเทขุน โลกสีหายว่าวุ่นอบอวนเพราะคุณเสียนผื่นแผ่นเดินบดสินไฟเพระาะผาแตยผูกฟองฮันสีนทำโบกเกียวควางสีมัวมองว่าวุ่นโลกสีกลายเป็นจูนไฟกิเลตตัวกรอนเผ่าใหม่มุนทะลา น้องสสีาขาดอายนายเอวเปรียบไฟชากอรลาสฎดอนบกกมเกี่ยวขาดสามขี้พร้อมลัที่ข้อมขยายที่ไฟเสรีกะตันตอพวกอระับแข่งคอห่วงนำมันโกงท่าละขาขึ้นขาดแย่ กุมโอเปกแขวนบ่อยากส่งน้ำมันดิบลัมวมัวกันออมดิบลคุณไว้สติตายแล้วอเมริกากัดแขวทั้งเสีเอาทั้งสียบลอยลอไปอีกจักน้อยส่งข้ามโูกและเบิดแทนทั้งที่แกหลุดบ่อมี โลกมันเป็นจ้าซีเพราะว่าขาดรมสีญาตกันจินโลโคแย่งสิ่งเตีย๋ยปูหอนฮูนบ่ถือสินมันจึงสิ่งกันดีดินสร้างเจกรําแจ้าเว้นสิ่ง เ, เลือนผู้ผู้เลื่อนของงัวง่องในเลื่อนเปลี่ยนลูกเกาเฮ็ดแปดเพื่อนดอกกับกายนี่ละคุณน่ะ คุณลืมบุญคุณลืมนายไกล้ายลืมเหล้าเี้ทั้งสั่งโคเจ้านั่นลืมคุณพูดทาดนักปลาดหรือไม่เขานอกลืมเขาวัดว่างหลอย ที่ลังกาเถือนคำคำบัญหารขอพระคู่คนสอนไว้เสียงใดๆบกคงยังอนิจจังโลกลมแห่งชิไปน้อยกันสมาง ผ้านป่าผู้ลงทิโปรดตั้งใจมนุษย์เชียต่ใครควรกบวนบ้างฉันสิน้ำมาาอานิสงส์ชีบองไรมีเจิตใจตรงสาระและเสียงยึดมั่นคนนั้นหงเจรลิศ ตายไปแล้วสิบปศุกยังเยงืนดอกกำไฟอาบผาูิคือนลุกเปรตสุรกายสัตว์ดีละชานสิประการบ่ไปแค้เมี่อจะเลไปฟ้าสวรรค์ผมมมแมงเพราะคุนศิลปันแจงบ่ได้ตกตํำต่อยสิร้อยดันสู่สวรรค์ มีชะนางกรรมเกิดเป็นมนุษย์บาริสกุ์เหลือหลายพราถูกจนหุ่นใหอายุยื้เหนีวได้ถึงไวปัจจิ้มเขตอุบัติเหตุท พ, อพอ่บ่ผ่แไวตนกระทั่งตาย สุขใจกายสบายเลือปัญญาไว้ไหลเลื่อนวอมีภัยเบียดเบียนตั้งแต่หลุดจากทองต่ อ, องม่วยนั้นมิงมองอันนี้เป็นเพราะย้อนเสียนหนึ่งฝาหน้าให้อภัยศัสนาสุงฝลนำนำโยน คอยฟังโกไปนาทีน่นาบอกเกลื่อนวพนฝนบออาบมาลวงได้องเขาเจ้าเครื่องหืงมีอันไดก็บอกเรื่อง น, นอกจากที่สวนหายขวงทั้งหลายขโมยจรบออาบมาเอาได้ แม่เล่าไปก้าวขึ้นมาให้เพระปัดใจสิ้นซอยอานิสวงบ่แม่นหน่อยนอนใดกาอิ่มตางสิ้นกาไม่ น, น, นานไทบ่ล้วงลักษาวลูกสาวเขาเมียคุนบ่ล้วงเกินรกษาได้ ผลพลาสิทำให้คนซัวอยู่สวยมีลูกสาวกระแสนสวยแฟนกระลูกพลางกัวคนในอูเจ้าอาาน้ำศีนขอสีมุสาวาดรบร่วงลางขวดตั้งเต้าคำสาปปัญาหงสมองชัดดอกแก้มใสไฟน้ำ เปลี่นฟากาน้อมคำวันหอมยิ้มวันเราคำใดกระสมควนควัญนับถือบ่ลุยลวงลึงดอกวังเกล็ดสิ่งขอหาที่คนเดินหามลืมสุราบานตามบรรหารสาวขันยูคนสังสอนเอาไว้ แม่นผู้ใดรักษาได้ข้าวต่อไปปัญญาเลิอดจิตประเสริฐยึดมั่นสติตั้งบ่เลือนน้อยก็ให้ฟังเพียงเล็กน้อยคุณประโยชน์ของศีลอานิสงค์คือผลดังวามาจาแจ้งนะ ฉันจะเพียงหน่อยชื่นจดจำสำเลาขอสรุปข้อเมาเสียนนั้นหอมเงานั้นคุ้มฟ้าฟ้าสวรรง์เถื่อาจวงจันผู้ผิดสนากันแฉะจะตามท้องหอมก็หอมอยู่ฟื้นนั้นลงมอุ้มไว้ไป ถึงปาริกรชาตไม่ประจําที่นาวดึงพายทุ่มมีดอกดวงนั้นเหมือนหอมเหลือล้นเอาจนพัวมาลินไดกระดมดอกมอนวิน่งผ่านนันบอนพอนกบส่แล่วล้มต่องเจ้าตาทวน ด้วนว่าสิล่ะเนั้นนั่นทุกเถี่ยวหุยหอมตามลมทั้งทวนเที่ยวท้องเธอสะท้านเจ้าจังว่าเมืองคนกลุ่มหนุ a เมืองแม่ยพอทุกเถีไทยกระดมในนั่นเสือน zoom เสนีหอมมือนาวหอยโยนสังขยาแม่นว่าลมซาลาตันกระต่อทั่วท่านนั เปียนเที่ยรัพุริสูเสื้อหนกกยิงซ้ายส้มซอบจริงแล้วขอให้ทุกเททางมันทรงสั่งเจะส่วนศีลนะอันนี้ยังว่าจะตลอดสิ้นคุณประโยชน์ของศีลตั้งหักมีนั้นตั้งหลกมากไม่หลายพอ เอาเต่พอฟังได้กว่านไทยจงกับกาวเมือเรื่องเล่สิเกา่อนนั้นเชิญเจ้าหอมได้รับเสียนั้นเธอกังใจอยู่ าวอานิสงของผู้ถือศรสนะและศีลแล้วก็ได้ให้ในารานสมาทานเอาซึ่งปัญจศีลเรวยความตั้งใจและก็ให้ในาพรานกลับไปสู่ที่อยู่ของตนส่วนองค์ปฐิระก็ยังคงนั่งบำเพ็ญภาวนาณนะโคนแห่งต้นใจตามเดิมนกกาละครั้งนั้นแหละโสรถทัศโกอันว่านายพรานนั้นท่า น, นได้ฟังอานิสงศีลห้าประการ และพระใจสรณคมแลว้วจึงรับเอาพระใจสะะละนามและศีลห้าในที่เฉพาะหน้าแห่งพระเทราจา้าแล้วก็ถวายนมัส ก, การกราบลาไปสู่เคหสถานของตนด้วยมือเปล่าไม่มีเนื้อไม่มีปลาเหมือนวันก่อนก่อนเลยเมื่อไปถึงแล้วก็ไปนั่งณนะที่อันใกล้แห่งภัญยาเพื่อจะบอกเนื้อความตามที่ทราบมาก็มีนะ กาลครั้งนั้นเล่จะกล่าวฝ่ายพัญญาของนายพานเป้ารอการกลับมาของผู้หัวขันเห็นสามีมาใกล้ตัวดูท่วมเห็นมีนอะไรทุกวันกลับมามีปานกวันนี้ดวงตกหรือไนอคิดเถียงขุนข้องหมองใจสามวัยจึงถามตามกระบวน เป็นจังไหนคุณผีในผ่านมือนี่คือเบื่อบานสนใสซืนทส้มหัวยำพยายามสิ่งยิ่งเหนือเพียงมาว่ายคือเก่าสุวัรณไปแต่เจ้าแหล่งคอยจังคอยมามือนี่คือจังเห็นตั้งแต่ห่อผ่าสัตว์ปลาติดมือหรือพ่ะท่านออกมาวาหนักถงหิวหรือเจ้าป่งล่วงไวการท่างสุดเสียงเพียงจะงเหตุจังสั่นคนสิฮูหงเห็นธนาเจ้าเสียงไม่ดีเ่าเท่านี้คนสิบเอ็ดฟอกขที่บ่หนีก่อนตี <c oughs> อดีใจครับ ด, ดีใจแน่โอ้สีนี่หอมหง่ำห้องฟ้าฟ้ า, ฟาสวรรค์ว่าตีโอนดีใจครับแต่ยังน้อบัดนี่นอเถานี่ไปปามากกูแปลกก็สมือวะแม่ยังนั่มเถานี่มานอค้อนถามแต่ยังจำเบาแม่เ่าเออ จ, จะไปหาเสียงหาเสงมันถอนจะไปซ้อนมันหลายอันลูกสาวเจ้าน่ะให้มันกินโลดมันสีเปล่าไปเหตุการณ์เหตุงานให้มันกินเสน่ อยังจังแปไปจังสันน้อบาดเข้าถามเจ้าของจังไดจังกลับมาว่าเข้าเสียงบาดนี่เทเนี่ยเท่าวันนี้แทนเจ้าได้ยินบ่อนค่อยถามเจ้าเดิมคอยไดถามดน่อก็ค่อยๆอนี่แหละถามเจ้ายุติเดมถามจังใดจังทีว่าเสียงโดยนีเพราะว่ามันเสียงของเสียงหนังเสียงแนวกินกับอีหน้างต่พอได้เสียงดอกมันของยุกของกินไม่ยั้งก็จะให้ลูกกินแต่พอแข็งไรดอ ไปถามเจ้าดิอันวาเสียงเซียงวันนี้ไหมถามยังจังวาเสียงเลยคอยว่าซุมื่อเจ้าพยายามพิ่งยิ่งเนือ้อคำเมื่อเจ้าจังมาเม็นบเอกเมื่อ้เมื่อนี่มาไวบอกคือเกาสุวันไผ่แต่สเสาเร่งคอยจังคอยมาเมื่อนี่คือจังเห็นตะแต่หอผาสัตว์ปลาบดิดมือหรือว่าท่านออกมาบานักถุงหิว หรือเจ้าปูงลงใบกลางท่างสุกเสียงเพียงจังเหตจังสั่นคนสีหูฮวงเห็นหน้าคอยถามเจ้าว่าจังสีตัวเจ้าเสียงไปดีบ๊คนสีบ่อไปพ่อเขาสีบ๊อบออหนีก้อนจิมันจะเด้เหิมบอบบอกเข้าเพิ่มนตัวเอ้าเจ้ามีกระไดไมบกเข้าเพิ่มกับสินี่ีโอยาเอาแนว่ยอไมันก็เิ่มเป็นเมดละบกเข้าไม่เหลืองก็เพิ่มทนตัวจากเห็เแตาว่าบอกฮวงเิ่มเนาะยังก็เพิ่มเป็นน้ำาลเม็ดละโอ้เจ้าสงสัยคอยก็คำว่าจังสันนอกเมื่แม่สงสัยแล้วก็ถามเจ้าทักทักนี่ เที่ยนเท่าต่างแต่เจีนั่นไปต่างแต่เศร้าแร้งคอยจังคอยมาเราจะสู้มือนั่นนะแต่ว่าเมื่อนี่ไปนั่นมาไว้บ่คือเกาอันซัดสาล่าสิงมูนั่นมันค่อยหมานหลายตีคอยได้หลายตีคือบ่เห็นหอบถิวคือดาำแต่เกาหลังเราเม็นค่อยเสียงไหวเฮือดไอว่ัติเจวาเนี่ฮะเนี่ยตัวกันห้าได้หลายอินดีหาบนักกระซังคนไม่คนไปฮับก็ได้ตัวขันห้าไปเสียงไหวสั่นคนไปพ่อเขาหนีก่อนมันจะได้เหมือนบ่กระสนตัวไหวบ่แมืนขัว่าจังสั่นเท่านี้ อันขอยบอสรุสกบอ่บอเรเซียงบ่อเรอนไว้ใสดอกเท่านี้พอหักบ่ออกมาขวเวทาหน้ามั่นหลายออไปปล่อยไปเมือดแลว้วอันมื้อเศร้าเนี่ยคอไปเห็นนกสองตัวมั่นติดแหววางฟ้านคอยขับปล่อยสัตว์เล็กๆนหน่อยโถ่ิมบ่าหวังเอาจับตัว บอมนซอนบอมเีนเซียงบอออมาซื้อขยลดต่วนมั่ทาวันนี้อ้าวบอมเนเจ้าเป็นบ้าแล้วคให้เนี่ยจ้จังป่อยมันหนีทีกินยั้งกันหือฮ่าเอ้ยสังเป็นทายหรือหลักนีเมียหน่อยค่องค่อยที่กินหวมยุธยาเขาเบิร์ลหา่าปอยถิ่มยามาหล่อหลตัวธนาใสบ่เสื้อเด็ดขาดบอมออมาเจ้าไปฝากไคบอกไคมาตุุลดเอาเเอาบต้องเอาดอกงินนี้ว้าดีก็ดีกันว่ดีนบ้านแตกมือนี่หล่ะ เว้ยอันสินไปฝากไปเฟิกไผน้อแถานี้เอ้ยฮออันบอกมาขักแนเจ้ายาฝ้าว่าคอยไว้ให้งา่ายหลายแถวนี้โคตรั้งเจ่าขสิตว่าเป็นยังขวิตังสาวิตว่าเจ้ววาว่าเจ้วว า, จววาจมีอาชีพเป็นใน้าท่านล่าเนื้อเบือป่ามาติจําควบได้ไปน้ำคอมาเตัวคอนาปูคนนั่นแล้วเห็ดมหอดมือว่า น, นี่เจ้าคือพ่เคยบาว่าเลียตนสัสจะเคลือบมือนี่เจ้าสิมาบอกว่าเลียตนสัสนี่า็เสืยอด็ดเหดบ้นี่มันจะมีเงียหน่าเงหลังบอกมาตรงๆรถจะไปฝากใย อันนั้นมันเจ้าว่ามันตายจีตาจีเดี๋วนี้มันตายหอยมันก็อหลาตาเแถวนี้นาอยังกระซังสม บ, บูเกี่ยวตาดอกบอกออมาตรงตรงลดเอาเ อ, อโอ้ยอัน่อยบ่ได้เอาควางขั้นไก่หมูหมีเชนี่บางบ่ได้เอาสัตว์สาระบ่ได้เอาสิ่งลกลางกลางกลางมูนันมากแต่ว่าเมื่อนี้ใครมีแนวใดมากเนี่ยแหละแถวหน้าไม่ยังไรแนวใดมากคือผมเห็นแนวใด่อยบ่ได้เอาหมูหมาเป็ดไก่ของปลาทั้งหลายแลมากนะแต่ว่าเมื่อนี้ใครก็เอาศีนมากเนี่ยแหละแถวนี้เอาศีนมากนั่น ได้ศีนติมากเออได้แต่ศีนมากไปเอามาจะใ ส, ส่ศีนจะเข่าป้าลานเนี่ยแต่ก่อนจะเกาคือพอเคยได้ยินว่าได้ศีนจะเสลือคือได้เจ็บปวดบ้านไก่หมูหมีช น, นี้บางไปจังสัมเมื่อเศ้าเนี่ยใครได้ลุกงา้างง่ายจากทีเ่เฮื่นเฮาขับไปดงพงไข่อบอลตน้นไส้ไข่ค่อยย่างใครไปพ่อพระตัวดงพักอยู่ข้นใส้ตุนศีนเนี่ยใครไปเอาน้าพระมาโอ้เพได้เข่าป้าลาเนีอยไปพ่อพระออน เ, นอเอะอเลยได้ศี น, นพระเคนเลให้ยศีนมากเพระให้ยศีนใครเอาศีนน้าพระมือเนี่ย ห่ยเอาสัตาลัสินงอื่นมากเอาแต่ศีนมาย่างเดี่ยวพระเพิ่งเลี้ยงไว้ท่พระทศีน่ยมันเข้าใจเือกันเนอบันนี่นอหอันกว้างฟ้านไกยังขับขบอออกมาอันแม่แตงแต่กับฟอมขับออกมาโคตรนุ่นขับออกมาเอาแต่ศีนมาเอาน้ำพระโอ้พระไห้มาศีนเนี่ยพระไหคอยคอยเอาน้ำพระ ก็ขอดีแหละตะเกียนอาหารจากเกียนั่นคือสิมั่งเลยินงไปซื้อก็ได้แม่เมื่อข้างหมอไว้ฐาเจ้าจะตะเวียนใบนเราไว้ตะต้มเนื้อต้มป่าเมื่อเจ้าว่าได้เนื้อในป่ามากเพรเป็นหยังดอกกระเทาเอ้ยกันได้ศีนไม่ยุคหเฝ้าไ่อม่าคอยเขาจะไปต้มมาสู้กินอันเจ้าเป็นบ้าที่ห่านิเท่านี้เป็นบ้าที่ไหนบ้างสัมพ่อแม้นว่าเลี่ยงว่าเลี่ยงมันเราเข่าใจคนลาย่างหานิอันศีนที่คอยอ่อมานี่มันบอแม่แนวกินเข่าใจแม่บ้านเนี่ยมันแม่แนวกินน่ะมันแแนวกินมัดสแตกี จะกลับมากินหยังคุอยูเงินโอ้ยหากบ่าวกิดดิบ่าวถือนอหันหัวราว่าจะเลื่อนขึ้นจะเลื่อนขึ้นฟังระเทศแม่นหยังอะไรที่จะเล่ขึ้นเดี๋นี้บอกว่าไม่จะเลื่อนรุ่งจะน้อหันเี้เนาะอันศีลนี่เอาม้าตะน้ำพระเอามาน้ำพระพระห้ คอเอาน้ำพระศีลเนี่ยของกินบ่อเป็นเนี่ยพระไฮกินบ่อเป็นมันเป็นคอคอเป็นยางยางเป็นข้ามบ่อเป็นข้าจ่าบ่อเมนเป็นตุนเป็นตูคือบักโม่สีแดงกันกินได้เอามาเห็ดยังานอันของว่ามีตุนมีตูนพระไฮมาเห็ดยังเอามารักษาอันตัวฮะรักษาเอามารักษาศีลเอามารักษาพระเอ้ยพระเนวกินบ่เป็นก็เอาให้ค้นมากเป็นเนาะอันนี้จังเนี้ ขิดเบืองบ๊ว่าเขาขาป่าล่าเนื้อเปลือปลาเขาก็จะไปหาซิงเ่าหั้นมากกินมากบริโภคจังไหนจังเหรียญออกรองกินบ่เป็นไห่ผะมาไห่พ้นมาไห่เหนือผะมีก็ไดโอ้ยทอาบานเนี่เอ้ยแต่บอกเพืนผ้าให้หน่อยไ่มคอยบ่ได้ว่าพื่นผ้าตัวไปบอาอินทินเนีบออีหลีน่ะละคนว่ากันสองคนว่าวเพื่นผู้นึ่งว่าขวัญผู้หนึ่งเขาบอกรวิน้ำเขาเอื่อนว่าพื้อนว่าขวัญเขาใจแน่ทอานี่เอาไหย่างกับไห่หมอยังกัสิ เอามารักษาเอามารักษาค่อยเอามานี่เอามาบนเมนธรรมดาได้น่ว่าได้ซื้อซ้ำชืสอว่าของบะมีตัวได้ซื้อมันก็พูดไปดอกเอาม้าเหมือดํางมเอามาหลายปไปเลยไมข่ขอหาย่างหาปะกันตัวเดียเอามาไม่เหาะขอหาย่างหาปะกันเอเอาาเหมือดแถวนี้หาสมหาเนี่ยแม่ี่หสมิ ห, หได้อีกดูเนี่ เอ้าจงว่าหาคอหาย่างหาประการมักระาหาสามกระทิหาต้อคจะพูนผิดโอ้ยสิว่ากับขนดงข้นปาบ่ได้ขอหนังสืออย่างน้อก็ได้อันที่บ้าว่านั่นน่ะมันเป็นบ่วงการบ่วซอยบ่วยาบต้อท้ายซื้อหาคอหาย่างหาปากการในไหมถึงหาเดียวหาเดียวหาคอนี่้เอา่าหาคอเอิ้นสินเบื้องตนโอ้ยสิว่าหาคอซะรเารวะเจ้ากรไดจ้าดบอซอย่วงยาบไกลไว้เอามารักษาวัดเอามารักษาเสี่ยมารักษาอย่างวะเอ้ามีสินรักษาอย่างก็ไดพราวได้พู นั่นผู้คนเทียรทอดคนเทียว่าอันรักษาเนือรักษากายรักษาตัวรักษาตัวรักษาสิ่งรักษาของอัน้วนัยสร้างมางู ม, มาเพ็รเกเงื่อนซนบานซองรักษ า, ดดกษาให ด, ด, ห ด, ดหมดรักษาให้ดนใดห่อดมจะไสว่าเท่านี้โอ้ยมาสร้งง่ยอนจินเขามาสั่งเางย้อนเกิดหลายปีมาสร้างก้มขิดสร้ง้มหูนี่แคหางอึงแคเถ่านี้แม่หยามาหาประมาตวมหูกันละแม่ละแม่อะโอ้ยบวชจะประมาทัทานทิขีดร้างนี้มัสั้งางก็หางอึงอีกสำาเ็่เน่เน่ อันผู้เถาเก้าบวรล้านผู้เถาผู้แก่พเดาลูกจมหาหลานวาสูนปัญญาปูความฉิดสั่นส่ซ้ำหางอึงอันแนวสั่นก็หางอึงนี่มันก็มีติีละแม่เถานั่นเปลี่ยนจีบกมีแม่หย่างเหตุปูไปมาสางฉิตทอดายเปนตัวหยัจีบกรมิบ่พนยังไงยังไปิดสันอรอกกระรอกิคเดือดแท้แต่ในจังหวัดตักของกินว่าเปลี่ยนสีเลีนเอามาเห็ดหยั่งกินว่ามีตบนมีตูเสียวมารักษาสิ่งรักษาของมันจะรักษาได้จังไหน คำว่าสั่นโลกงานหาาน่างล้าบริษัทย่ยเขาตั้งโลกงานถึงมาผลิตทิ้นข้าวไม่เก็บไว้ให้โกดังเขาจ้างคนปยจุยา่เฝ่าของเขาโรกงานจ้งีสิบพ้นสมสิ้ น, น่นนปีเมื่อเขาเสียงเงินค่าจ้างคนปัจุยามเฝ่าว ข, ของเขาเป็นงินเป็นแสนมันเป็นยังไงกันสินว่ามีตนมีตัวรักษาอะไรังสันเขาก็สินไปรักษาตนตัวไม่ทงบรีเสียเงินพาสิ็งตัวมันสร้างขีดสํานอด้แท้ไออันเขาเปี่ยนปีไอหงว่าปีกระเรื่อยใช่เห็นี่ะเจ้ากษัตริย์มาปึกนะไฮเทนเน อันเจ้าเว้านั่นล่ะคนทั้งหลายนั่นล่ะหางร้านบริษัทโรงงานปูดังต่างๆเขาจ้างยามจ้างคนไปรักษาที่รักษาของเขานั่นเ่ราะมันจ้างไปรักษาคนที่มีศีลได้เท่านี้เขาจ้างไปรักษาโมใด้สิซุมมันบ่มีศีลจะไหนจะวางสันอ้อคนมีศีลเนี่ยบลักของกันคนบลักของคนเขาเอื่นคนมีศีลทีนี้คนบ่มีศีลนี่ไปหารักของคน หรือคนหลักของคนเขาเอิญคนบอมีศินเขาจ้างไปรักษาสุ่มนันโ่เจ้เโม่ซุ่มที่รักษาศินสุ่มที่มีศินทิ่ว่าเป็ลักของคนเด็ดขาดที่ปลักของกันเจเนรี่มีสินแน่นมีแต่สุ่มบอมีสินตี่อันไปหาหลักของคนบ่ได้รักษาสินตอนมันตอนมันตอมันจังได้กระสานเมื่อเจ้ารับออกของกินบ่เปลี่มากค่อยบ่เอาน้ำเจ้าบ่เอาบ่เห็นพรอมบ่บอกอาเจียเฮ็ดจ้าไหนขันมาบ่เห็นพรอบนั่นเอาขึ้นไปทรงผัก ว่าไม่กันะเ่นอาศีลที่จะรับไม่จากพระขึ Boy ้นไปทรงจะของเพลินนี่ยินไปที่ให้เขาเอาศีลไปสรงพระเอออันศีลที่ใอเอามานี่กลับขึ้นไปสรงเพลินเพื่อคอยว่อกไปนะเท่า้เป็นยังเขาเอาศีลไปสรงพระเออเพื่อคอยบอกกาเนี่ยเป็นยังงี้สิบอกกาโอ้ยอยการจากไอคนตัวเท่านี้ไหมทีอยากอหัเนี่ย โอ้ยก็เอามา้ามาถ้าในมุมมือเอามามือเศรุ่นเนาะเสห้เอวไปส่งคนก็โอ้ยกะจะตายตายเถอะเลยครับว้าไปแถปนี้กะ็ะไดเฮ้ยอยปัญหาอยากขายยังรับม้ามือเศรุ่ออไปส่งมือแร้งต้นแหงวะเลยเสียดอกแม้จะเป็นยืมเงินดอกเพิ่นก็ว่ได้เสียเ<น>ด่นขึ้นส่งไวๆอีกสั้นเนโอ้ยอันนั้นมันกง็งอซละอื่นเงินถาว่ามันซอซเลยอินสินมันก็ลาย่งางแถานี้ย่างฮเบ่าเลยโอ้ยถิไปส่งผันนีเขา่เคยได้ยินเยคนนย่างละนี่มันก็ส่งในคือเกาาไปส่งหลดบ่บ่่บ่ก็จะขา เพิ่งวะอ้าวบอกสินไปสรงผาไ่เคยีดอเินเเ่ยางนก็บ้าเอาคนเอาสินไปสรงได้เด้อนี่แม่เท่านี่วาจังกสิ่ไปสรงตบอบอบนะบอกแล้วก็จะตายเพิ่วเ้นอย่งกพยิ่งเนี่ด๋มาชิบสั่งเะวะ้าวบอกไหมนีจงบอซอนดืบ่นซนดินนนอนซันหยา อ่อนซ่อนให้อ่อนซ่อนหน้าปีนี้เด่นโอเม่บันหนึ่งโต๊บันหนึ่งแหลงสังคือฟ่าบดตการอาสจันใจกุ้มไลคุ้มกินตาข้าวใหญ่คุ้นยุ่มพอ ย, ยุ่มเมประชิวไหลตอดแฉนี้ไป้นอยุ่เหลือเพน อาสะจันใจโอนานเขาสารอยู่ในอูง้อขอขึ้นตอดไก่ไม่ไพ่อยู่ก่อหนอขอขึ้นตอดสร้างอันป่ายางอยู่หิงทญยานเต็นคูบแมวมวาเมันไดน่วยแจวลูกประเสดขำแสนแตนมือไปล้วงลบพันลวนเลือเลือยเจ้ ดวงบุ้เพกำลังกาดวงปัญญาพ่อลิบลีแสงตะเกียงพ่อมิดมีลมพันมาผดตองบ่อยแยนหมอ